คนที่ใช่สามแบบกับปัญหาคือทุกขและทางออกแบบที่หนึ่งอาไม่เจอตั้งแต่ในชั้นเรียนไปจนถึงที่ทำงานก่อให้เกิดทุกข์ขอแค่ไม่ทำตัวอาภัพธรรมก็เป็นสุขยิ่งกว่าเจอรักแท้แบบที่สองเจอเยอะเกินสับสนเลือกไม่ถูก โดดเดียวด้านชาก่อให้เกิดทุกข์ขอแค่ไม่หวานเล่ห์หลอกใครก็ลงใจเจอใจจริงของตัวเองได้แบบที่สามเจอแต่ไปไม่รอดไม่อาจทนต่อเวลาที่มาพิสูจนใจก่อให้เกิดทุกข์ขอแค่ไม่ประมาทเมื่อพบเหยื่อล่อก็จะไม่เอาของแท้เป็นลากของปลอม คนที่ใช่สมแบบเกิดมาไม่เจอใครเลยหนึ่งเจอใครต่อใครเยอะเกินไปหนึ่งเจอคนที่ใช่แต่ไปไม่รอดหนึ่งไม่ได้ถูกน้อยกว่ากันเท่าไหร่มีอยู่จริงๆคนอภรพรักที่กวาดตาหาคู่เท่าไรเท่าไหร่ก็หาไม่เจอตั้งแต่ในชั้นเรียนไปจนถึงที่ทํางานไม่เจอเลยที่ต่างฝ่ายต่างถูกใจพร้อมกัน ยังมากก็ได้คู่นอนที่ไม่รู้สึกเลยว่าใช่ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนสายลมแสงแดดพอระลึกนึกถึงถ้าไม่เฉยเมยก็รู้สึกแย่มีอยู่จริงๆคนเจ้าสเสน่ห์ที่มีแต่ใครต่อใครวิ่งเอาหัวพุ่งเข้าใส่ไม่เว้นแต่ละเดือนหรือบางช่วงก็ไม่เว้นแต่ละวันราวกับโลกทั้งใบเป็นฟาร์มเพาะคนที่ใช่ คนที่ใช่เยอะแยะจะจนกลายเป็นไม่ใช่ไปทั้งหมดถ้าเลือกที่ถูกใจก็ไม่แน่ว่าต้องเสียที่ใช่กว่านึกถึงคนจริงๆแล้วเจอแต่ความสับสนของตัวเองนึกถึงใครในฐานะคู่เคียงทาวนไม่ออกไปๆมาๆเหลือแต่ความรู้สึกโดดเดี่ยวด้านชาก็มีแต่งเงาในจินตนาการเป็นคู่แท้คนสุดท้ายมีอยู่จริงๆคนที่คนพบ เจอใครบางคนที่ใช่ไม่ต้องวอกแวกหาใครอีกแล้วในเมื่อมีความสุขที่จะอยู่ใกล้แต่คนนี้เต็มใจเปลี่ยนชีวิตเดียวเป็นชีวิตคู่ก็คนนี้อยากพร่ำพรรณนาโอ้อวดให้ทั้งโลกรู้จักความมหศัศจรรย์ของคนนี้แต่สุดท้ายก็ไม่อาจทนต่อเวลาเมื่อเวลาพาบางสิ่งหรือบางคนมาพิสูจน์ใจอะไรอะไรที่ว่าแน่ก็พังคลืในพริบตาได้ คนที่ค้นพบขอแค่ไม่ประมาทเตือนตัวเองทุกครั้งเมื่อพบเหยื่อล่อก็จะไม่คิดเอาของแท้ไปแลกของปลอมกันได้คนเจ้าสเสน่ห์ขอแค่ไม่วานเล่หล์หลอกใครก็ไม่ติดกรรมที่ทำให้ตัวเองงงในที่สุดก็ลงใจเจอใจจริงของตัวเองได้คนอาภัพรักขอแค่ไม่ทำตัวอาภัพทำก็เอาดีทางธรรม เป็นสุขยิ่งกว่าเจอรักแท้กันได้